มีใครจะถามอยูมั้ยขอโอกาสค่ะเมื่อกี้ที่พระอาจารย์สอนโยมก็พิจารณาตามไปว่าจะเมตตาให้กับเหมือนกับเป็นคู่แข่งคู่สัญญาอะไรกับเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าก็พอดีเคยมีเคสแบบเนี้ยกับตัวเองก็พยายามน้อมจิตคิดตามพระอาจารย์ค่ะมันก็ยังไม่ได้เพราะมันเห็นโลภะในตัวเราว่าเราเมตตาเขาแต่มันก็มีอ๋อคือย่างนี้นเข้าใจแล้วคือ คือที่พูดเนี่ยเนะี่ยอันนี้พูดหลักในการเดินจิตแต่เรื่องการทําจิตให้เป็นเมตตาเนะี่ยท่านอาจารย์มีชัยเขพูดไปแล้วไงอามาก็เลยไม่ได้ตรงนั้นแล้วจะปรุงแต่งจิตให้เป็นไปกับเมตตายัางไงเออตรงนี้อาจารย์นะก็แปลว่าต้องให้อาหารของเมตตาอะไรเป็นอาหารของเมตตาอย่างที่เรากล่าวแล้วก็นี้ไงปัใจจัยใกล้นี่ไงเหตใกล้ยังไงเขตใกล้ก็คือใส่อะฮะวิธีมองบุคคลอื่นนี่เห็นมุมดีให้มาก แล้วก็มีความรักความปรารถนาดีเท่ากับตัวเองเอาตนเองเป็นประมาณถ้ายังรักคนอื่นได้ไม่เท่าตัวเองแสดงเมตายังไม่ได้ออกฤตยังไม่ได้ออกฤตยังไม่มีกําลังแสดงเมตายังอ่อนแอเมตายังพิการอยู่ใช่ไหมเราต้องรักษาเมตตา้ให้แข็งแรงแสดงว่าตอนนี้เมตตาพิการไหมพิการคนพิการก็แปลว่าเดินไม่ได้ใช่ไหมเป็นอะไรเมตตาเป็นโปลิโอ <laughs> เมตตาเป็นโปลิโอแล้วมีปัญหา มันออกไม่ได้อ่ะมันไปไ ด, ไ, ดได้แต่ความคิดแต่เมตตาไม่ยอมไปด้วยแล้วก็ไปเรียกเขาทำไมคุณไม่ยอมเดินก็ตบเขาบ่อยๆใช้ความคิดนะผลักดันเขาบ่อยๆทำไมรักตัวเองถามที่ทาไมรักตัวเองแล้วคนอื่นทำไมถึงไม่น่ารักใช่ไหมเอา้าเราก็จะไปมองจุดเสียเขาอีกนั่นแหละเพราะวิธีคิดเราเป็นอย่างนั้นอยู่เลยั้ยก็ถามว่าเขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขามาจากบุญ ห, หรือมาจากบาป เออมาจากบุญถ the re ้าเขาจะทําผิดทำพลาดได้ก็แค่ปัจจุบันแสดงว่าดีตเขาทําดีมาเขาถึงได้เป็นมนุษย์เนี่ยทําไมจะรักมนุษย์เหมือนแล้วเราก็เคยทําผิดทำพลาดทําไมเราไม่เกลียดตัวเองล่ะก็ถามอย่างเนี้ยให้ข้อมูลไปเรื่อยๆนะเข้านะเข้ามันก็กําจัดจิตจิตที่คิดไม่ดีทั้งหลายได้แล้ววเออเขาก็รักสุขเขาก็เกียดทุกข์เขาก็กลัวความร้อนอยู่ไหมเขาก็กลัวทรม ทรมานเขา ก, กลัวอุปสรรคกลัวปัญหาเขาก็อยากประสบความสําเร็จอย่าง ก, กันเราแค่เราจะให้ความรู้สึกดีๆกับเขาก็ไม่กล้าจะให้นี่หรือสาวิกาสาวกองพระเจ้านี่หรืออุบาสกอุบาสิกาของพระาศาสดาประกาศตนเองไปดูในทะเบียนก็เป็นพุดใช่ไหมก็แปลว่าผู้รู้ใช่ไหมอันนี้เรารู้อะไรเนี่ยก็ถามตัวเองไงไหมแค่ใจที่จะให้อาภายัยเขาใจที่จะเป็นไปกับเมตตาแค่นี้ก็ทําไม่ได้ เราอบรมตัวเองได้ไหมเตือนตัวเองได้อบรมตัวเองได้ตนเองนี่สอนยากไหมสอนยากก็เข้าห้องอบรมเลยเข้าห้องอบรมเลยใช่ไหก็เข้าห้องก็อบรมตัวเองบ่อยๆอบรมตัวเองอย่นะเข้ายอมไปไม่รอดหรอกบอกว่าเอาถ้าวันนี้ยังเมตตาออกไม่ได้ก็ น, นั่งอยู่เนี้ยๆไม่ต้องไปกินข้าวแล้วอยากชอบเมตตาตัวเองดีนะคอยดูที่จะรักไหมรักตัวเองไหม เังางั้นนักข้าวคนนั่งใครควรหลับตาพิจารณาขยาจอย่างแต่เนี้ยเพราะนักข้าวนักข้าวแต่นี้จะเป็นยังไงจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ได้เมตตาขอกินข้าวก่อนไม่เอาใช่ไหมไม่ยอมความคิดอย่างนี้เรารู้ทันนะยังจะมาออกฤทธิ์ออกเดชในะความคิดอย่างเนี้ยก็ตําหนิซ้ําไปอีกเพราะเรารู้เท่าทันแล้วใช่ไหมรู้เท่าทันแล้ไม่ได้หลอกข้าวไม่ได้ แต่ก่อนเองยอมแบบนี้แหละเองก็เลยไม่ยอมมีเมตตาออกสักทีเนี่ยเข้าน่ยเข้ายอมแล้วยอมลุกขึ้นเดินแล้วแต่เนี้ยเริ่มไปเมตตาเขาเออบอกง่ายๆอย่างนี้คอยเอ็งชั่วใช่ไหมวิธีฝึกจิตนี้ได้ไหมก็ฝึกอย่างเนี้ยนั้นได้มาด้วยความเพียรการเดินเมตตาเนี่ยที่จะให้ได้ผลเร็ว ต้องเอาศรัท ธ, ธามากระทุง้งเอาวิรยิยะเอาสติเอาปัญญาเนะี่ยมามาขับเคลื่อนเขาเรียกว่าใช้อินทรีย์ห้าในการศรัทธาพระบรมศ า, าสดาศรัท ธ, ธาในพระธรรมศรัท ธ, ธาในพระริยสงฆ์ใช่ไหมอันนี้ถามว่าเมตตาเป็นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมแล้วทําไมไม่เห็นคุณของพระธรรมมาคุณแสดงว่านี้หรือคือศรัท ธ, ธาพระธรรมของพระาศาสดา นี่ศรัทธาปลอมเอาออกไปก็อัดข้อมู ล, เ, ลเข้าไปนัเข้าก็เปิดใจนัเข้าอเมตตาก็จะไหลง่ายขึ้นพอออกได้ครั้งเดียวนะนะักเข้าจะเริ่มเร็วขึ้นใช่ไหมมันน้ำเน่ยถ้าไหลแล้วเหมือนคนตะหนี่แล้วต้องให้ทานสักครั้งหนึ่งเริ่มติดใจแล้วเออมันดีอ่ะเก็บไว้ตั้งนานเป็นทกแทบแย่รู้จักสหละบ้างมีความสุขเหลือเกิน ให้ปพดเถอะคนตะนี่เป็นทุกข์วิตกกังวลหมดแหละนั้นถ้าเขาได้รู้จักให้สละเหมือนกันนี่ก็แต่ก่อนเราเคยคิดแต่เอาเปรียบเขาอะพอรู้จักเมตามันวิ่งออกมาได้บางโอ้โหก็จะมีความสุขเมื่อวันนั้นก็จะตื่นเต้นมากโอ้เมตามันวิ่งออกไปกับความคิดได้แล้วใหม่ๆมันไม่ยอมออกใช่ไหมไปแต่ความคิดคิดแต่คนเป็นร้อยเป็นพันมีลูกน้องเป็นร้อยคิดได้เป็นร้อยนะจําได้หมดเลยนะ ใครโกงใครไม่โกงนี่จําได้แม่นหมดแต่เมตตาไม่ออกเน่ะเมตตามันไม่วิ่งออกแต่นี้ใหม่แล้วเราจะให้เมตตาไปกับความคิดถ้าความคิดไปปุ๊บเมตตาไม่ไปย้อนกลับมาใหม่บอกไม่ได้ทําไมรีบวิ่งไปก่อนเมตตาแม้ชํานาญอย่างไอยโลพะโทสาวุหานี่ชนานาญมากเอาเมตตาไปด้วยก็ให้เขาเอาเมตตาออกไปด้วยเมตตาออกไปด้วย ให้จูงไปกันไปความคิดไปให้จูงไม่ตาไปไม่ออกไว้ก็ลากบังถูบงังเงินเงนเข้าไปไหอยู่ไม่รอดหรอกมันอยู่ที่การเพียนยิ่งๆเ่ไม่มีไม่มีสิ่งใดนะที่จะทที่จะเจริญไม่ได้ขอให้เห็นคุณพระาศาสดาหเห็นคุณของพระธรรมนี่คือพระธรรมนะนี่คือพระธรรมนะที่เรากํางจะเดินตามฝึกตามหรือเราต้องการพัฒนาเราเป็นสังฆะนะเป็นอริยสงฆนะ์ นั้นถ้าเราก็เมตตายัางเดินไม่ได้แล้วจะไปลากกิเลสตัวอื่นได้ยังไงบางคนโอ้ยปล่อยวางหมดแล้วชีวิตแต่เมตตาไม่ออกนี่ประหลาดไหมเอ๊ะปล่อยวางอะไรเนี่ยฮะเหมือนปล่อยวางอะไรใช่ไหมนั้นเมตตาจะต้องไปกับความคิดได้จริงพอจะเข้าใจยัง ยังมีมุมไหนที่จะถามต่อไ้ยเรื่องเมตดาไม่มีแล้วนะอ่ะตรงนี้ที่ถามมาสักครู่ต่อไปคงจะคิดได้อะคิดได้ทำไมมันเรากลัวเขาได้ดีกว่าเราเย่างนี้บางทีใช่ไหมเช่นเป็นนเรียนแข่งกันกับเขาใช่ไหมขอให้เขาได้ที่หนึ่งขอให้เขาได้เกียรตินิยมันดับหนึ่งเราจะได้ที่ เท่าไรก็ช่างเถอะไม่เป็นไรน้อมสละอย่างเนี้ยแต่เราก็ทําเต็มที่ไหมเราก็ทําเต็มที่ของเราเนั่ยแหละแต่เผื่อเราไปได้เกียรตินิยมขึ้นมาสมมติเราช่วยเขาได้ไหมเพราะใจเราน้อมเขาแล้วใช่ไหมน้อมให้เต็มที่แล้วอันนั้นก็เป็นผลบุญก็ยีย้อนอยู่แล้วนแน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้หวังกรณีอย่างนั้นเราหวังว่าให้ใจเราเป็นไปกับเมิจาแต่มีผลมากมีอิสรสามากไหม ถามว่า้าแผ่เมตตาให้กับสงฆ์เนี่ยบุญจะเยอะไหมเยอะสิใช่ไหมเหมือนอ่ะถามจริงนั่งอยู่เนี่ยห้าวันหกวันเจวั น, นเคยแผ่เมตตาให้กับพระสงฆ์ที่อยู่ที่นี่บ้างเออเอาไหมอ๋อเคยรลยสาธุโอ้อยขวัญชัวรพวางเงนเองนอนสะดุ้งสะดุ้งอยู่เลยเนะี่ยเมตตากระแทกแหลงเลยอ๋อเคยทุกคนเลยเนย เ, เวลาแผ่เมตตาก็พระสงฆ์แผ่เมตตางขอให้พระสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสแห่ง น, นี้สถานที่เหล่านี้จงเป็นผู้มีความสุขเนอปราศาจากทุกข์ขอให้ท่านบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาพ่อปูนสิกขาสามให้เข้าถึงความแข็งแรงแก่กล้กาเป็นไปตามลำดับ ที่สุดจริงๆขอให้ท่านบรรพินศสีนสมาธิปัญญาออกจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทสิทธิให้ท่านเดินสีนสมาธิปัญญาประชุมในอุปจารละสมาธิออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิแปประการให้ไปประชุมในปฐมฌานออกจากนิวรณห้าประการก็ไล่ไปตามสรุปก็คืออย่างนี้นะ โอ้ถ้ า, ามาไล่ก็ไล่เป็นคืนเลยยุ่งเลยใช่ไหมเอามาก็มองเวลาเรื่อยเลยเนีนะ่เป็นประโยชน์ดีเพราะตสวทสริชานออกจากอะไร ให้ประชมุมศีลสมาธิปัญญาคือสิกขาสามในปฐมฌานออกจากกามชันท้าพยาบาทีนมิธะอุทะจากุกุจะวิจิกิจชาออกจากนิวรธรรมได้และให้ประชมุมในศีลสมาธิปัญญาในทุติยฌานก้าวข้ามพ้นทุติยฌานเป็นต้นได้และประชมุมในตติยฌานเป็นต้นเป็นไปตามนั้นหรือไม่ประชมุมศีลสมาธิปัญญาในตติยฌาน แล้วก็ประชุมศีลสมาธิปัญญาในจตุทชาญออกจากสุขและทุกข์เป็นต้นได้แล้วก็ประชุมในอาคาสานัญจายตนะชาญออกจากรูปฌานทั้งสีได้ก็ประชุมในวิญญาณัญจายตนะชาญคือประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิญญาณัญจายตนะชาญประชุม ศีล ส, สมาธิปัญญาในอากิญจายาธนาชานประชุมศีลสมาธิปัญญาในเนวสัญญาณาสัญญายาธนาชาตที่สุดจริงๆขอให้ศีลสมาธิปัญญาที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาบัติเหล่านั้นเป็นฐานของอนิจจานุปัสสนาใช่ไหมไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในอนิจจานุปัสสนาออกจากนิจจสัญญาวิปลาสได้ และสามารถไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในทุกขานุปัสสนาญาณออกจากสุขะสัญญาวิปลาสความสําคัญหมายว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ียได้และไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในอนัตตานุปัสสนาญาณออกจากอัตตะสัญญาวิปลาสความสําคัญหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเสียได้แล้วก็ไปชม ศีลสมาธิปัญญาในนิพพิทานุปัสสนาญาณออกจากความเนี่ยน้อมก็หาความเบื่อหน่ายสลัดทิ้งขันห้าที่เป็นที่รักที่ผูกพันของเขาเสียได้แล้วให้เขาไปประชมุมศีลสมาธิปัญญาในวิราคาุปัสสนาใช่ไมออกจากความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินน้อมเข้าสู่วิราคะสละทิ้งความกำหนัดเป็นต้นได้แล้วให้ไปประชุม ศีลสมาธิปัญญาในนิโรธานุปาานัสสนาญาณสามารถดับอุปธิดับกิเลสเป็นต้นได้แล้วก็สามารถไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในปฏินิสขานุปาานัสสนาญาณสํารอกราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาวิชาเป็นต้นได้จนสามารถได้ประชุมศีลสมาธิปัญญาในโสดาปฏิมาก โสดาปฏิผลน์สกาทาคามีมากสกาทาคามีผลอนาคามากนามคายผลจนสามารถได้อนุปาธาปนิพันธ์โดยสะดวกโดยเร็วพันธ์โดยง่ายโดยไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางได้ทื่นนี่น้องง่ายเหลือเกินให้ปัญญาทำงานบ้างใช่ไหม ให้ทาให้ปัญญาทำงานไปไปตามลำดับดีไหมดีไมไม่ใช่ว่าอ้าให้พ้นทุกใช่ให้พ้นทุ ก, ทกแค่นี้บางทีเราไม่รู้ใช่ไหว่าคืออะไรนั้นก็ให้เป็นไปตามลำดับที่ถามว่าในพระาศาสนาของพระเชษนาเจ้ามีการกระทํามีการศึกษาโดยลำดับไหมมีการประทุษโดยลาดับหมมีการเข้าถึงโดยลำดับไหมไม่โกกชั้นเหมือนหน้าผา ฉะนั้นไม่ใช่ว่าโดดปุ๊งบรรลุได้เลยไม่ใช่นะก็จะเป็นไปตามลำดับเหมือนทะเลเนี่ยทะเลจะมีการลาดลุ่มลงไปเป็นตามลําดับการเข้าหาศาสนาของพระชินเจ้าก็มีการเข้าถึงเป็นไปตามลําดับลําดับลําดับลําดับนะนี่เป็นอย่างนี้เอาใครจะถามเป็นไหนเมื่อกี้ให้ให้น้อมเมตตาบุคคลอื่นก็น้อมเป็นลักษณะทอย่างนีนะ้อย่างนี้เมตตาแท้ไหม เมตตาแท้เลยเพราะต้องการให้เขาพ้นทุกใช่ไหมต้องการให้เขาพ้นทุกแต่เขาปรารถนาทรัพย์แล้วก็น้องไม่เขาได้ทราบใช่ไหมปรารถนาสุขก็ขอให้เขาได้สุขปรารถนาบุตรภรรยายให้เขาได้แต่ยายติดใช่ไหมยายเขามัวเมาเลยเขาเดินออกได้ลิงจักรว่าลน้องมีสิ่งที่ดีดให้กับเขาแล้วก็ปรารถนาความดีตัวเองไหมอายมต่อไปคงเจริญเมตตาไม่ยากแล้วเนาะ ไม่อยากเลยเนี่ยใหม่ๆถ้าเจริญอะไรไม่ได้ก็เจริญให้กับพระก่อนเนาะเจริญให้กับพระอันนี้อันนี้ดีนะจิตใจจะสะดวกเบาวกว่า mm. บางทีเจริญให้กับเพื่อนบางทียังหงุดหงิดเพื่อนอยู่ใช่ไหม mm. ก็เจริญให้กับพระจนคล่องแถว mm. แล้วก็เจริญให้กับบคุคคลผู้มีพระกาล่าคุณใดๆที่ว่าไป mm. นั่นกับพิธีฝึกนะพยายามคิดให้เป็นไปกับเมตตาให้ชํานาญ เป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าไหม น, นั่นแหละถ้าหากเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อพระธรรมเมตตานี่เป็นสิกขาประเภทไหนศีล ส, สมาธิหรือปัญญาอ่เมตตาเป็นศีลเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาเป็นสมาธิไม่ใชเป็นสมาบะเป็นสมาธิสิกขาท่า น, นเราเชื่อมั่นในสมาธิสิกขาไหมมาจากศีลและสิกขาไหมคนไม่มีศีลจะเจริญเมตตาได้ไหม ไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นความเชื่อมั่นความตั้งมั่นในสิขาสามของพระศ า, ศาสดาอ่ะก็ะะในโอกาสนี้นะคะอยากกราบพระอาจารย์เพื่อให้ข้อคิดในการที่จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นการสรุปเพื่อทำให้เขาได้เห็นทาให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยค่ะได้เห็นถึงความ ความสะดวกความดีในการเจริญในเรื่องของศีลในเรื่องของศรัทธาอย่างสู่ปัญญาที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นเพราะค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เจ็ดที่จะได้มีโอกาสอบรมค่ะก็คืออย่างนี้นะว่าเรามีโอกาสเข้ามานะเพื่อพิสปฏิบัติขัดเกลากันโดยส่วนใหญ่เราก็เจริญภาวนาบุญในชั้นของธรรมะสวมนะ ทำมสวรรคใหม่ก็คือบุญที่เกิดขึ้นจากการฟังพระสัตธรรมเป็นภาวนากุศลอยู่ในชั้นของภาวนาหลายท่านอาจจะฟังอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกที่มีการจัดคอร์สอบรมโดยการเน้นให้ข้อมูลให้การฟังธรรมเป็นส่วนใหญ่ก็เลยต้องการอยากให้เรารู้ว่าเหตุของความหลุดพ้นเ ที่พระบระมาศ า, าสดาทรงประทานไว้นั่นห้าประการหนึ่งฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าเมื่อเธอฟังธรรมจากพระผู้มีภาคเจ้าและสาวก ข, ของพุทธเจ้าแล้วเธอเป็นผู้รู้แจ้งอัฏฐะเธอเป็นผู้รู้แจ้งธรรมะอัฏฐะในที่นั้นคืออัฏฐะของพระบาลีคือพุทธพจน์ธรรมะนั้นก็คือรู้พุทธพจน์รู้พระบาลีรู้ขับสอนของพุทธเจ้า เมื่อเธอรู้แจ้งอัฏฐะและรู้แจ้งธรรมะแล้วเนี่ยในการที่ได้ดื่มดม่ำอัฏฐรสและธรรมรสของพระธรม ร, รมคําสอนของพระศ า, ศาสดานั้นน่ยปลาโมสดก็จะเกิดขึ้นแก่เธอนะเมื่อปลาโมสดเกิดขึ้นก็พัฒนาปลาโมสนั้นน่ยให้เข้าถึงชั้นของสภาพของปีติคือความอิ่มใจอย่างสูงเนี่ยนะมีทั้งขุทกาปีติเป็นต้น น, นะนะเริ่มแต่ปีติเล็กๆ น, น้อยจน ปีติที่ร้านไปทั่วกระแสของนามธรรมและรูประธรรมทั้งหลายอันนี้ก็จะ ป, ปีติที่ร้างปีติก็จะเป็นปัจจัยเกิดความสงบความสงบก็จะเป็นปัจจัยเกิดความสุขสมนัตสุขสมนัสก็จะเป็นปัจจัยแก่ ส, สมาธิสมาธิในที่นั้นในชั้นคำสอนท่านใช้คำว่าสมาธิยติก็หมายถึงสมาธิที่ในอรหัตผล ท่านตั้งสัมมาสมาธิไว้ที่อราัตผลนั่นเป็นยอดสรุปก็คือว่าบุคคลที่ฟังธรรมของพระศาสดาแล้วรู้แจ้งอัถาธรรมะปราโมทพีดีปัจสทาิความสุขสมาธิที่เป็นอรหตผลเกิดขึ้นในกระแสขันของท่านเหล่านั้นยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าสูงสุดถ้าในสูตรแรกนั้นที่พระศาสดาแสดงธรรมาจาักกัปวัตนสูตรนั้น สมาธิที่เกิดขึ้นนั้นกับพระธัญญากณัญญานั้นเป็นสมาธิที่ในโสดาพอดีผลแต่ต่อมาท่านพระอัญญาโกณัญญาพร้อมด้วยปัญญวคีที่เหลือเนี่ยนะมีว่าป่าพันธิยาหมานามาอัสฉินอกนั้นฟังปกินกะเทศนาอยู่ระยะหนึ่งพอแลมห้าค่ำก็ฟังอนัตตลกนาสูตรนี่เลยสมาธิในด้านของ อาณาเผลเกิดเลยนั่นก็คือไปจากปลาโมดปีติปัสสิความสุขและสมาธิครั้งแรกที่ที่พระศาสดาทรงเทศนาธรรมจั ก, กรกับพวัฒนสูตรนั้นท่านพระัญญาโกณฑยะได้ดวงตาเห็นธรรมพรมอีกสิบแปดโกดไม่มีพวกเราที่นั่งอยู่นี่เลยอันนี้ก็คือให้รู้ว่านั่นไงฟังธรรมแล้วได้็นรลุฟังธรรมแล้วได้บนรลุ เพราะเป็นภาวนาไม้เป็นภาวนากุศลพระศ า, าสดาจึงบอกนี่ไงวิมุตตายตนะเขตของความหลุดพ้นและอีกเยอะมากชักสูตรกันมาไม่หวันไม่ไหวเลยอาทิตตปริยายิสูตรพอเทศนาจบฉดินสามพี่น้องบริวารพันหนึ่งยัเนได้บรรลุเป็นพาาระลหันนั่นไงปลาโมดปีติปัสสติความสุขสมาธิในในรตผลเกิดขึ้นอีกเยอะมาก นั้นพระธรรมคําสอนของพระศ า, าสดาไม่มีสูตรไหนที่ทรงแสดงสัตวเหล่านั้นจะไม่แทงตลอดสัจจะอันนี้พระศ า, าสดาถึงบอกว่าเหตุของความหลุดพ้นคือการฟังธรรมในยุคปัจจุบันนี้การฟังว่าธรรมนั้นน่ยโดยมากอัตรถ ธ, ธรรมรรถนั้นไม่ค่อยแข็งแรงเพราะกระแสของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของสัตว์ทั้งหลายอ่อนแอมากพระศ า, าสดารู้ไหมว่าในการต่อไปเนี่ยสาวกของท่าน ภิกษุภิกษุนิยบสกเลบสิกานะั้นน่ยทางด้านร่างกายเห็นไหมทางด้านกายทังด้านญาณ น, นะคือปัญญาก็จะอ่อนแอลงรู้ฉะนั้นพระศาสดาก็วางหลักไว้เบ็ดเสร็จแล้วว่าให้มีการฝึกฝนมีการเรียนมีการฟังจนชัดเจนจนชำนาญอย่างไรแล้วเอาไปไข้ควรเอาไปพิจารณาอย่างไรฉะ้พระองค์ก็วางหลักไว้เบ็ดเสร็จนะนั่นคือพระมาหากรุณาธิคุณของพระศาสดา ประการต่อมาเหตุแห่งความหลุดพ้นอีกข้อหนึ่งคือการแสดงธรรมทำไมอามาจึงขับเน้นการแสดงธรรมเพราะผู้แสดงธรรมแล้วบรรลุเองเอามาก็หวังการบรรลุพวกเราก็หวังการบรรลุใช่ไงงนั้นผู้ที่แสดงนี่แหละในขณะที่กําลังแสดงเป็นไปตามลำดับนั่นแหละอัฏถะของ คำสอนก็ปรากฏชัดในใจธรรมะคือพุทธพจน์ก็เริ่มเด่นชัดในใจปราโมดก็เกิดแก่เธอเมื่อปราโมดเกิดก็เป็นปัจจัยแก่ปีติปีติก็เป็นปัจจัยแก่ปัจสถานะความสงบความสงบก็เป็นปัจจัยแก่สุขโสมนัทสุขสมนัทนั่นแหละก็ท่านพูดไล่ระดับวิบัติา น, นี้หมดแล้วสมาธิเกิดบางท่านแสดงทําไปบรรลุเองเลยอันนี้ก็มีอยู่นะเจริประการที่สาม อันนั้นคือสาธยายนี่คือกลุ่มทรงจําได้แล้วก็เอาไปสาทยายเมื่อเราสวดมนต์เนี่ยทุกวันนี่เราก็ท่องๆกันใช่ไหมเอาสูตรต่างๆมาสาทยายจิตใจน้อมเพื่ออะไรเพื่อจะได้ปลาโมดปีติปัสสติความสุขสมาธิเพื่อจะทํายถาปุรย า, านทัศนะให้เกิดขึน้นเนอะเพื่อเป็นปจัจจัยในการบรรลุเนอะไม่ใช่มานั่งสวดกันเล่นๆเนอะไม่ใช่อีทีปีโสภะคะวาแล้วหาววัดว่าไม่ใช่เลยตั้งใจจริงๆเลย พอรู้อัฏฐ ธ, ธรรมะในการสวดในการสาธยายเนะเห็นไหมสาธยายก็บรุลมีก็ไม่ใช่น้อยมีพระอยู่รูปหนึ่งเนะ่ในคำรยิยสังยุทธ์ท่านไปสาธยายท่านจำในท่านบอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทะลาคะคือความยินดีพอใจในรูปนั้นสิฉันทะลาคะ ที่เธอทั้งหลายละได้แล้วในรูปนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเสียเวทนานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นเสียคําว่าละสัญญาในที่นั้นคือละฉันทลาคาเนีคือความยึดติดในสัญญาขันนั้นเอง ชั้นธละคะอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขสังขารละขันก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายวิญญาณขันก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารละขันวิญญาณขันนั้นเสียด้วยฉั้นธลาคะฉั้นธราคะที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขท่านก็ไล่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันแล้วก็ไปไล่ของตาหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วก็ไปไล่รูปารลมสัตตาล ม, าาลมขันธาลมและสาลมพวดตาปลมและทำอารมณ์ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยท่านไล่ไปตาลมลำดับหนึ่พภาษาเดียวบรรลุเลยอ่ะสาธยายบรรลุเนี่ยเราไม่รู้ผลของการสาธยายว่าเป็นเหตุแห่งการบรรลุไงเราคิดว่านั่งหล่าตา ย, ย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยเราไม่รู้เหตุของการหลุดพ้นไงนี่ประการหนึ่งประการที่สี่อันนี้ไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมไม่ได้สาธยาย ฟังดีศึกษาดีแล้วเอาไปตรึกตรึกตามตองตามตองตรองตามพระธรรมคำสอนของพระศาสดาตามที่เธอได้เรียนมาได้ฟังมาอย่างดีเบเสร็จในขณะที่ตรึกน้อมจิตตามคข้ควรวิจัยตามอัถาของอัถาปรากฏหมคาสอนปรากฏชัดธรรมะพระบาลีก็ปรากฏชัดขึ้นปลาโมดเกิดปีติเกิดปัสัทีเกิดสุข เกิดโสมนัตเกิดสมาธิตั้งมันบรรลุเลยเห็นไหมคิดบรรลุได้เห็นดิเห็น <c oughs> ในนี้อมความไม่หมดแล้วแต่มาไม่ได้ขยายโอ้โหถ้าขยายก็เป็นคืนเลยามาก็ต้องใช่นี่ขยายก็เป็นเรื่องเลยเดี๋ยวนี้ในรายละเอียดแจะแปลเข้าเข้าใจอัตถะธรรมะไงการเข้าใจอัตถธรรมะก็คือวิจัยอะไร วิจัยทั้งสภาวลักษณะและสามัญลักษณะเป็นต้นไนดะ้อย่าลืมนะบุคคลที่เขาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเขาปีติเขาปีติมากปลาโมดมากเพราะอะไรพระธรรมปรากฏในใจชัดไม่ได้เห็นมานานสิ่งเหล่านี้เด่นชัดในใจอ่ะไม่ใช่เห็นหงอยแ ล, ล้วกลวอย่ไม่ใช่เลยผิดหลักคําสอนแล้ว ไม่มียิ่งเห็นยิ่งตื่นเด้นวันเนี่ยพระธรรมปรากฏในใจแล้วก็ไม่ได้เห็นมานานเน่เพราะโทษของการไม่เห็นไตร ล, ลักษณ์นี่แหละเราจึงท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัตรนี่แหละใช่ไหมถ้าเห็นจริงๆปลาโมดปิติปัสสธิเกิดไหมความสุขก็เกิดเกิดความสะดุ้งสะเทือนต่อการที่จะมีขันห้าแต่อาจขันล่าเริงในการจะเดินออกจากขันห้าเห็นขันห้าประดุดดังอะไร ซากศพทันทีเลยเส ร, ร น, นี่จะเป็นอย่างนั้นนั้นในชั้นของคำสอนจะเป็นไบรลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแล้วงอยเหมือนนกเจ็บไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างนั้ น, นาการปฏิบัติต้องผ่านไม่ผ่านได้อย่างนี้ไม่ผ่านได้ ยกเว้นผ้าลิยาบุคคลชั้นที่สองสามถ้าระดับชั้นต้นก็ต้องผ่านใช่แต่ผ่านแล้วเนี่ยเราจะล่มหลงในอุบกิเลตหรือไม่ใช่ไหมถ้าไม่ฉลาดก็ไปยึดติดว่าโอพาษคือแสงสว่างเป็นมรรคผลก็ล่วงอยู่ตรงนั้นอีก่เห็นไมไม่ได้ต้องยึดติดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเ้นถ้าผู้ที่ฉลาดในพระธรรมคำสอนเขาก็เข้าใจแล้วว่าภาาสดา บอกว่าตรงนี้เกิดขึ้นเธอต้องตั้งท่าทีวิธีคิดอย่างไรวางใจอย่างไรปล่อยวางอย่างไรพระองค์ก็สอนไว้รายละเอียดเยอะไหเยอะเนะี่ยต้องเกี่ยวกับการเข้าใจข้อมูลอันนี้ตึกนะประการที่ห้าศึกษาอย่างดีฟังมาอย่างดีแล้วเอากรรมฐานสามสิบแปดหรือสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไป มนัสิการและไข้ควรมีอนุสติเป็นต้นหรือสติปัฏฐานเป็นต้นฉะนั้นในกรรมฐานสามสิบแปดในกรรมฐานสี่สิบที่เรียกว่าสมถะสมถะนั้นอ่ะกินความสติปัฏฐานได้หมดแล้วคําสอนเป็นอย่างไงนั่นแหละอมความไว้หมดแล้วในสติปัฏฐานสูตรนั้นมีทั้งสมถะและวิปัสสนานั้นปนกันหมดเลยเนี่อันนี้ก็ไปแยกรายละเอียดนะ สรุปแล้วก็เหตุแห่งความบุญพ้นมีห้าประการนั้นจึงพยายามขับเน้นให้เราเกิดความเข้าใจเราจะได้อย่างนี้ถือว่าเปิดเปลือกตาไหมเปิดม่านตาว่าเห็นจุดสว่างแล้วเออนะว่าเหตของความบรรลุจริงๆไม่ใช่ช่องทางเดียวจริงๆไม่ใช่ช่องทางเดียวห้าช่องทางที่พระศ า, าสดาบอก น, นั้นเราก็ตรงนี้ก็คือเป้าหมายเพื่อต้องการเใ่้เราเนี่ย พ่อพูนศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาในระรตะนาไตรให้มั่นคงคนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าจะไม่เดินผิดทางจะไม่เดินผิดทางที่สุดจริงๆพระศาสดาก็จะต้องโปรดท่านทั้งหลายจนได้ที่ผ่านมาเพราะสัตทินซีเราตั้งไว้ในพระศาสดาไม่มั่นคงนั้นพระศาสดานี่นะถ้าจะไปโปรดต้องไปโปรดคนที่มีศรัทธาก่อน ถ้าจะไปแสดงธรรมก็จะแสดงธรรมให้คนที่มีศรัทธาฟังก่อนในภาษาสดาถ้าจะคิดถึงก็คิดถึงคนที่มีศรัทธาก่อนถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วควรตั้งศรัทธาคือความเชื่อมั่นไว้ในภะษาสดาให้เหนียวแน่นในอดีตที่ผ่านมารู้เลยว่าเราคงตั้งศรัทธาไว้ในภะษาสดาน้อยไปเราจึงต้องมีวันนี้ใช่ไหม แต่วันนี้เราตั้งสายไหมไม่สายเลยเพราะพระศ า, าสดา ย, ยังดูแลเราอยู่โดยพระธรรมคำสอนก็หวังว่าเราจะเข็นผักดันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นคืออินทรีย์ห้าให้เกิดขึ้นประชุมขึ้นในกระแสของชีวิตให้ติดได้อย่างเร็วพันนะใหม่ๆอาจจะเหมือนกับเข็นคบขึ้นเขา ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเรามั่นใจว่าเราจะต้องค้ำถักดันจนถึงยอดเขาให้ได้ที่สุดยิงก็ประสบความสําเร็จก็อย่าท้อใช่ไหมเพราะมันเข็นถึงได้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่จะพุ่งถึงไม่ได้แต่ว่ามันต้องใช้การต่อเนื่องไหมต้องใช้การต่อเนื่องต้องระดมความเพียรในการที่จะเดินศึกขาศาสตร์ต้องคว่าแล้วหนึ่งอ่าเชิญวุทิสุนทรกุศลกัน